ก็พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตสถาบันสติปัฏฐานก็มีนหน้าที่สอนเรื่องของสติปัฏฐานคือปฏิบัติถ้าเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยจะได้พูดกันก็มีเยอะแยะการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้มากมาก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 ัหิวอยู่มันก็ใช่ไม่ได้ถ้าหากว่าสุกโตสถาบันสติปัะถานขายอาหารสำหรับคนหิวก็อาหารอะไรหรอข้าวผัดซะนะข้าวผัดอาหารข้าวผัดในร้อนดีและปลอดภัยด้วยในมือนสั่งอันโน้นสั่งอันนี้ เอาผัดกะเพราเข้าผัดไข่อะไรทำนองนั้นแหะร้อนๆแล้วก็ไม่ไม่เป็นอาหารกินไว้ไม่เป็นอาหารฮึม <c> ป <oughs> รงุงปรุงแต่งๆมากเกินไปอาหาร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 การปฏิบัติทำถ้าพูดตรงๆปฏิบั ต, รตริตรงๆก็ไม่มากถ้าพูดให้มากก็มากเรื่องของการเจริญสติทำอย่างไรเป็นอย่างไรรู้อะไรเห็นอะไรมากมายแต่ว่าวิธีการสอนที่นี่ก็สัมผัสเข้าไปเลย ผ่านเข้าไปเลยมีสติดูกายเอาของเกียงศึกษาไปเลยทุกคนก็มีกายทุกคนก็มีสติเมื่อมีสติดูกายดูใจมันก็เห็นอะไรต่างๆที่มันเกิด ข, ขึ้นกับกายกับใจมากมายหลายอย่างผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเ้าก็ค่ายเขาว่าถ้าจะพูดก็งอนกับขนส่งหาไป หรือนำไปจับแขียนจับตาไปดูตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้ผู้ที่มีหูหมีตาได้เห็นได้ยินฟังได้ฟังเอาไปเลยจึงจะเป็นของปัจจตังได้เรานอนเูานี่เห็นนอนเห็นนี่เห็นนะไม่ใช่ลูกลู้เห็นถ้าเป็นความลู้ก็เป็นการลู้เห็นหรือจริงเข้าไปคนนั่นก็คือการพบเห็น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 อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่มีปัญหาแล้วรู้แล้วนะเรีกว่าการเห็นเนี่ยมันก็จบไม่เหมือนเห็นแบบอื่นเห็นแบบสติเข้าไปเห็นน่ยมันจบไม่เหมือนกับการเห็นทัศนาแบบอื่นทัศนานุตรเลีย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 แล้วก็มีแนวร่วมห้อยอย่างที่ทําให้เกิดการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ปอกก็สอนก็ช่วยกันแล้วถ้ามีการศึกษาก็มีหลายอย่าง <c oughs> เช่นวัดป่าสุโกโตเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีการศึกษา <c oughs> การเรียนป ร, ริยัติธรรมแบบปฏิบัติไม่ใช่แบบ บางทีอาจจะปฏิบัติเห็นแล้วก็เรียนไปตามคําเห็นอธิบายแต่ขานไปได้เหมือนกันที่วัดป่าสุขโตก็สอบนักธรรมได้ทุกรูปทีนี่ไม่ตกสักรูปเลยสอบผ่านได้ทุกรูปนักธรรมเชิญโทอมีหรือเปล่าเรยังไม่ออกนักธรรมเช้นตีสอบผ่านไปหมดแล้ว ภูเขอทองก็ผ่านหมดแล้วนี่ก็เรียนเรียนตามหลักสูตรที่ในการศึกษาของคณะสงฆ์ก็การปฏิบัติทำการเจริญสติผู่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็มีสาขาในชีวิตของเรามากมาย ประสบการณ์มากมายในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของเส้นทางนี้เส้นทางที่ดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดในการศึกษาพุทธศาสนาในว่างเส้นทางแล้วก็พบเห็นหลายอย่างถ้าจะเป็นผู้ของบ้านของเรือนก็สามารถทำได้ ตามภูมิลภูมิธรรมของคนถ้าครองกายครองใจครองงานได้ก็ครองบ้านครองเรือนครองคู่ครองคนได้เพราะมีคุณธรรมไม่ใช่อำนาจคุณธรรมครองกันถ้ารักษา <c oughs> กายใจได้ก็รักษาคนอื่นได้ช่วยตัวเองเป็นก็ช่วยคนอื่นเป็น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 รสชาติในการเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมนั้นมันดูดดืม่มมันไม่ทิ้งงานในนี้หรอกหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราให้รู้จากรูปจากนามรสชาติผู้ที่เห็นรูปเห็นนามนนตรงนี้เนี่ยแล้วก็ก็ดูดดืม่ม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 มันไม่มีอะไเป็นรสชาติของการศึกษาเขาอยากจะบอกคนอยากแกสอนคนให้คนได้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตนะมันก็เลยไม่ทํามันเดิมอันเดิมก็ให้คนเื่นทําไปซะเราอยากจะสอนเรื่องนี้จะบอกเรื่องนี้เพราะว่ามันเพื่อการนี่โดยตรงชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาเช่นมนุษย์หรือคนเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ก็ต้องขนขวายช่วยกันประกาศบอกกล่าวเป่าวล่องท่าทายขึ้นป้ายเลยสุขโตสถาบันสติปัฏฐานก็มันมีชีวิตที่ว่าแล้วก็เพื่อการนี้ตอนเช่ามาถมมัด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 การศึกษาวิชาตัางคนรู้รู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่หลอดยังโกรธยังโลภยังหลงยังทุกข์แต่ศึกษาวิชาชีวิตเนี่ยมันไม่ทิ้งตัวเองหรอกเวลาท่านเึงว่าไม่จันแม่จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัดสะดินกลาวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งดีละโ อ, อ้ย รถหวานแม่จะสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ่งธรรมผู้บันดิตผู้ฝึกขนตนเดงดีแล้วประสบทุกเกียนตายก็ไม่ทิ่งธรรมเกียนตายไม่ทิ่งยแม้ใจจะขาดก็ไม่ทิ่งลู้วิถีเรื่องนี้ถึงที่สุดจนจะไม่มีชีวิตจบแค่ไหนเพียงไรเป็นยังไงความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ค, ค, ความตาย ทำอะไรไม่ได้บันดิตผู้ฝึกหัดตัวเองดีๆแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกเลยเต็มเป้าเปาเลยเต็มเก็บก็เต็มแก่ก็เต็มตายก็เต็มรับเคาะรับกรรมแบกเป็นปัญหาเรื่องอะไรเยอะแยะแต่หมดถูกความทุกข์ยางเอาแล้ว ถูกครอบงมแล้วความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะคนที่คนที่ไม่ค่อยศึกษาไม่ไม่ <c oughs> ไ ม, มีไม่พบถามยอมรับเรื่องนี้ยอมรับแต่ผู้ศึกษาจริงแล้วไม่ยอมรับเข่นพระสิท ธ, ธัตถะตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าพ่อชาย ประพาธหัวเมืองกมินลพัดเห็นคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายเห็นสมณะไม่ยอมรับหาทางหาทางยังไม่มีใครสนเลยบุกบืนเอาชีวิตเป็นเดิมพันถอดเครื่องประดับถอดรองเท้าถอดหมวกชัดดาเครื่องประดับตกแต่งขององ น urun, ่งข้าสีฝ่าถือนักบวชเป็นอุบายการศึกษาคนไปสุมจีสมหไปผิดพิดทุกทุกจนจะตายในที่สุดก็มาค้นพบเรื่องจิตใจเรื่องสติดูจิตดูกายดูกิต กันได้ตัดสิโลเหนือเกิดเหนอือเกลืนเกิดแฉ่เจ็บตายพวกเราไม่ต้องยังลำบากเหมือนพระพุทธเจ้าได้มรดกได้รับมรดกทำสามารถทําได้สันทีเลยไม่ต้องไปสูงเอา้ามีสติยกมือเคลื่อนไหวไปมาให้รู้สึกตัวมันแสดงออกมาทางไหนรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวเข้าไปรู้ไปเห็นทุกถึงทุกอย่าง เราก็มีกายเราก็มีจิตเราก็มีเวทนามีหิวมีโล่นมีหนาวมีปวดมีเมื่อยเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องของกายรูกมันแต่พุทธเคือสติเข้าไปเห็นสติเข้าไปเห็นสติเข้าไปเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนะีนั่นแหละคือการศึกษาไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่ไปคิดไปพิสูจน์ไปทดลองในรูปอื่น ไม่ได้ทดลองเลยการศึกษาธรรมะเนี่ยมันเป็นการประสบเข้าไปจริงๆเป็นปฏิจจตังเข้าไปมันหลงแค่นี้ไมไม่มีใครทดลองถ้าทดลองก็เสียไปเลยทดลองกับคลมหลงเหมือนกับทดลองตัดเขยนดูซิถ้าตัดเขนเขนก็ขาดทันทีตัดขาดูซิไม่มีใครทดลองเรื่องตัว มีแต่เห็นแค่ถ้าว่าหลงก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้ท่นทานท้นถ้าบรรทุกถ้าสติได้เห็นทุกไม่ทดลองไม่แต่เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกนั่นเป็นเรื่องของสติไม่เหมือนการศึกษาวิชาการทางโลกถ้ามันโกรธก็ไม่มีใครทดลองกับความโกรธ ถ, ถ้าเห็นนะคนที่แสดงความโกรธที่คนที่แสดงความหลงคนที่แสดงความทุกข์เพราะเขาไม่เห็นไม่มีสติ เรายังแสดงออกไปได้สําเร็จข้ากันทะเลาะกันไม่รู้จักอายข้ากันแตกเกล้าวสามีเพราะเข้าไปเห็นอาสติเข้าไปเห็นแล้วนะไม่ใช่ทดลองเป็นปฏิบัติปฏิคือกับคือโต้คือกับมันเป็นอย่างนี้สตินะไม่ทิ้งไม่ทิ้งตัวเองไม่ทิ้งทำ สิไหนไม่ถูกทําให้มันถูกสิไหนไม่ลู่แจ้งทําให้ลู่แจ้งอ่าเสียงไหนยังไม่เห็นในพกเห็นแล้วไม่ต้องไปหาการศึกษาเนี่ยวิชากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องได้ไปหาเขาเข้าแถวมาให้เราดูเองเอาแถวมาให้เราดูเอาเองสนุกไอ้วางคนเนี่ย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 บ่เอ้ยอย่นี่ก็คิดรือเนี่ยเรื่องผ่านไปแล้วเอามาคิดเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็เอามาคิดเล้วไหลถ้าสติได้เห็นก็ตื่นลือลน้นยกยกตัวเต่งไว้ไม่ถล่มก็ไปในความคิดความคิดมันมีอยู่หลายแบบหลายอย่าง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 มันเราเห็นอะไรที่มันไม่ยังไม่ชัดก็ดูให้มันชัดโอ้นี่คือความคิดโสตสองก็รียว่าทำมัวิจยะสอดสอ ง, อรรยสอสองโยนิโสมนัิการพิจารณาไม่ได้รับดุ่นรุ่นไม่ได้รับดุ่นรุ่นพิจารณาไม่เอาบางทีความคิดเ บางที่ความคิดมันใช่ความคิดต่อไปไม่ใช่เหตุความคิดมันใช่เราเห็นเราเห็นลูกเห็นนา้ยมันมีอยู่ในโสมันมีธรรมมันมีจริญดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปมันเห็นเป็นหมวดเป็นหมู่เห็นลูกเห็นเป็นหมวดเป็นหมู่ลูกทุกน้ำทุกลูกทำน้ำทำลูกโรกน้ำโลกลูกสมมุติน้ำสมมุติลูกบัญญัติน้ำบัญญัติ มันเห็นต่อไปมันทะลุทหลวงไม่ใช่ทิ่งในบางอย่างแต่มันแตกฉานเราก็ดูต่อไปเมื่นเราไปเจ็บเห็ด้าเห็นเห็ดดอกเดียวเดี๋ยก็ดูต่อไปอีกมันมีหมู่บางอย่างมันมีหมู่ของบางอย่างมีหมู่ ไม่มู่งของบางอย่างก็ไม่ค่อยมีมู่ถ้าเป็นธรรมวิจยะมักจะเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนปัจจัยองไปโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆ เ, เห็นรูปทำนามธรรมเราเห็นรูปทำนามธรรมมันทำอะไรรูปทำดีทำชั่วมันทำดีไหม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 มนัสสิการไต้ตรองเห็นไปเห็นแจ้งโอ้เป็นจริงเป็นจริงลูกทํานามทําโอ้คนจเจริญสติปฏิบัตินั่งยกมืออยู่นี่มันเป็นการรักษาศีลแต่ลูกมันทําไปทําอะไรละ่ะขัวบุรีว่าสุกมันทําอะไรเนี่ยมันคิดอะไรมันขั้วบุรีว่าสูกบางคนไม่รู้ตัวร่างตีดิวอยู่ดีเอามือไปขีดดินขีดเล่นโอ้มาทําอะไรเนี่ย แก้ไขมาลูบมาใช้ไป ใ, ใช้ลูปไปทำแบบนั้นอา้าวเห็นลูปทำนามทำนามมันทำนามคือใจที่มันคิดมันมไปทำอะไรอยู่ร่วมมือกันไหมจิตใส่ใจตามไหมมันก็ลูปมันสอดสองเห็นเห็นชัดที่มันเกิดขึ้นเกับรูปกับนามรูปทุกตามทุกอา้าวเห็นต่อไปอีก เป็นหมูแล้ววเหรอไม่ได้หาแล้ววหมาเลยมันเป็นมันเป็นทะลุเปิดออกมามันก็ทะลุดูโน่นดูนี่มันไม่ใช่คิดลู่มันมันไม่ใช่คิดลู่มันแบบมันแบบเห็นตาคมเข้าไปตาคมคมเข้าไปอยู่ทุกตามทุก ทุกอย่างในลูกนะน่าสงสารทุกหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกสภาวะทุกสภาวะทุกคือทุกตามสภาพของลูกนั่งนานมันก็ต้องทุกมันก็ปวดก็เมื่อยนั่งนานนาก็ปวดก็เมื่อยยืนนานนานก็ปวดก็เมื่อยนอนนานนานก็ปวดก็เมื่อยเดินนานนานก็ปวดก็เมื่อยโอนสภาพ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 นาสงสารสงสารลูกบางทีโอ้ยเรายังหาความทุกข์มาใส่บันอีกความทุกข์มาให้ลูกแบกเข้าไปคืออะไควรคิดอุปาทานความรักความชังสุภุรีกินมากอเอามาให้ลูกทั้งๆ ท, ที่มันเป็นทุกข์โอ้ยเราเคยสงสารลูกเลย พอมาเห็นเขาน้สงสงารลูปยิ่งกว่าสงสารอย่างอื่นน้ำตาร่วงนะพอเห็นรูปทุกสภาวะทุกนิดสลนทุกเนี่ยทุกเหนื่งนิดอาคันตุกะทุกทุกให้มันจย์ว่าเหมือนบ้านหลังนี่ศาลาหลังนี่พวกเราจอนมาทำวัดเช่าทำวัดเย็นวันที อาการตรวจกระทุกที่มันเกิดขึ้นกับลูกมันโลนมันหนาวมันปวดหนักมันปวดเบามันหิวอ่ามันหิวมันปวดหนักปวดเบาเขาเรียกว่าอาการตรวจกระทุกจ้อนมาต้องต้องต้องไปแก้ไขไปบรรเทากลางคืนก็ไม่ได้อยู่ละนอนอยู่ก็ไม่ได้อยู่ต้องลุกขึ้นมา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 ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าเนาะความทุกข์มันครอบงำเนาะรูปเนี่ยไมเป็นรูปทุกข์จริงๆนาะเนี่ยโอ้เห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นแบบเศร้าหองอนะเห็นแบบนี้เห็นแบบเห็นแบบลื่นเลิงบันเทิงไม่ใช่ทุกข์แบบปุถุชนผู้ที่ปฏิบัติธรรมทุกข์เกิดขึ้นกับรูปมันบันเทิง ตื่นเต้นเห็นก็ตื่นลือล้นที่จะช่วยที่จะแสดงทุกข์อริยสัจทุกข์เพราะสังขารปรุงแต่งอันนี้แน่นอนหรอกจุดหมายปลายทางตรงนี้เนี่เอาละแบบนี้แล้วเจ้าบริเลกเพราะสังขาร อะไรที่ทําให้ทุกจากการปรุงปรุงตแต่งแต่เลิกได้ทันทีไม่บรรเทาแล้วทุกแบบไห น, นบรรเทาไม่ได้ไม่ใช่เรื่องบรรเทาเป็นการเปลี่ยนทันทีแก้ทันทีสังขารปรุงแต่งไม่ปรุงไม่แต่งหยุดหยุดการกระทําเรื่องนั้นนั้นทันทีทันใดบรรเทาไม่ได้ถ้าโกรธไปดาาาไป่าเขาก็ทุกไปฆ่าเขา เอาเกลียดทลอกก็ไปกับเขาถ้าชังก็แสดงออกไม่ได้ดทันทีไม่ใช่เรื่องอนนี้อันนี้ตัวนี่กำลังเต็มที่เลยเอาละวันนี้มึงอยู่ตรงนี้ลือนเอาเลยบันนี้เอาเลยตรงนี้ะ่ะทันทีเลยแล้วก็ทำได้ทันที้วยสังขารก็เป็นวิสังขารวิสังขารตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนถึงมรรคผลในผ่านนะ บุรีมันหมดไปถ้ามันเคยสุบุรีนี่มันวิสังขารหมดไปแล้วนิพพานไปแล้ววิสังขารบุรี่มันนิพพานไปแล้วเล่ามันนิพพานไปแล้วความหลงความเลอะความชังที่เคยมีอ่ารอยแผลล่องรอยแห่งความเลอความชังหมดไปเลยรักษาแผลเลียบไปเลยไปเกิดเป็ตากดวงดา ขึ้นมาแทนที่ลอยไปไม่มีนะถ้าจะเป็นกรรมอันไหนก็เป็นกรรมต่อไปกิเลสกรรมวิบาก <c oughs> เห็นเห็นทุกข์ที่เป็นอริยสัจเป็นกิเลสกรรมวิบากเป็นวัตวตะวตตะนี่ตัดเลยเป็นตัดเลยเั็นวตตะตัวนี้ตัดได้ วัฏฏะคือเวียนไหวใจเกิดมันหิวแล้วก็สูบมันสูบมันก็อยากอยากแล้วก็สูบสูบแล้วก็อไม่อยากพรพราอยากมันกสูบพราะสูบมันก็ติดเพราติดก็อยากเพราอยากก็สูบวัฏฏะอะไรก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกันกิเลสตัณหาก็เหมือนเหมือนกันอืมันเคยอะไรก็คิดแล้วก็อยากทําไปตามนั้นทาไปตามวัฏฏะตามสังขารตามอืมหลักของสมุทัยอธิษสัน เห็นเอะไรสัตว์ช <Item sai>? ัดเจนเลยนะบุรีแ <Coin> ล <fol eta> ้ว <analysis> ส <on> <ocracy no>? ั้นเราสูบบุรีเพราะเราสูบมันจึง <plain> ติดเพราะเราติดมันจึงอยากพราะเราอยากเราจึงสูบพราะเราสูบมันจึงติดเพราะมันติดมันจึงอยากเห็นวัตตะตัดตรไหนกรรมมาเลยกรรมมาฐานกรรมคืออะไรคือไม่ทำตัดตัวกรรมไม่คิดไม่ทำง่ายนิดเดียว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 โอ้มันเปลียนได้อย่างนี้นะ่ะปฏิบัติได้อย่างนี้หรือปฏิบัติได้ให้ผลได้โอนะ้ก็เห็นเลยรูปทุกน้ําทุกลู่ทุกลูกกกก่ลู่ก็ลู่น้ําลู่น้ําก็ลู่ลู่สมังคีระหว่างรูประหว่างน้าสมังคีเมื่อรูปน้ำสมังคีด้วยสติเข้าไปแล้วกลายเป็นกลายเป็นอันอื่น ถ้าจะเป็นพระก็เป็นพระได้น้อยๆเป็นพระประเสริฐน้อยๆช่วยต้นเดงได้น้อยๆกำลังน้อยๆก้าวขึ้นไปสูงน้อยๆไปประเสริฐขึ้นไปแล้วเหนือกว่าเก่าดีกว่าเก่าสูงกว่าเก่าล่วงพ้นภาวะเก่าการล่วงพ้นภาวะเก่าเก่าที่เคยคินที่เคยทำมาก็มาเห็นว่าโอ้นี่นะ วิปัสนามาคืออนนีเนาะโอวิปัสนายานมาคืออันนี้วิปัสนาคือล่วงพ้นภาวะเดิมๆเป็นเกณฑ์ที่วัดของผู้ศึกษาของผู้ปฏิบัติเป็นเกณฑ์ที่วัดสำหรับผู้ปฏิบัติอ่ามันก็ผ่านไปรูปสมมุตินามสมมุติ อ, อ้อมันไปเลยนั่งดูสามวันสามคืน บางที่มันไปพอมันรู้เลยหมดจบอารมณ์หลายอย่างนะพูดพูดนาทีสามสิบนาทีเนี่ยมันพอได้แต่ว่าเวลาเราเห็นมันไม่ไม่ใช่แค่นี้อ่ามันจะไปเป็นสุขมันจะเป็นผู้รูนะ้เนาะตรงนี้มันจะหลงนะวรนะเด็นหลงในอารมณ์หลงในความสุขหลงในความรู้นะมันจะกลายเป็นกินตฑยานในคิดเรื่องนี้มันติดนะ มันก็ติดโอ้ยมันคิดแต่มันติดมันสุขมันภูมิใจคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบุญคนคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงอะไรสงสารไปทั้งหมดหลยแตก่อนเราลักพ่อลอกแม่ลักพี่ลักน้องพอมันเกิดเนี่ยคือสงสารไปคิดยากจะไปช่วยคิดจะไปบอกคิดจะไปสอนคนนอนคนนี้ไปคิดถึงคนแรกหรือคิดถึงพ่อถึงแม่คิดมากที่สุด มันก็คิดไปแล้หลงหลงไปในความคิดหลงไปในความสุขไม่ความสุขมันเกิดน้าตรงนี้นะในความสุขบอกวาโอ้ความสุขแบบนี้ก็เลยคือรู้หนหี่เลยรู้หนหี่เลยคือ บ, บุญบุญยังเป็นสังขาร น, นะความสุขที่มันรู้ถูกรู้ถูกรู้ผิดที่เป็นบุญแต่บุญตัวนี้เป็นสังขารเดียวเป็นหลุบไปสุขเลยโอ้ยพอได้ยินหลวงพ่อเทียน ม, มาว่า อย่าไปหลงรู้นะอย่าไปหลงยในความสุขนะมันมีอีกศึกษาไปเรื่อยๆ เ, เราอุตส่าห์ปฏิบัติมาอายุสี่สิบสามสิบปีมาเห็นอย่างนี้ก็จะไม่ให้ออกควาสุขไงเนา อ, อยังเสียดายไปปฏิบัติต่อไปเอาต่อไปบำเพ็ญทางกิจนะขนเข็นตัวเองไป มันก็เราก็เห็นเป็นเป็นสิ่งที่โชว์ต่อหน้าคือการบําเพ็ญทางกิจมีสติดูกิจปะเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วมันจบแล้วอารมณ์รูปนามเบื้องต้นเนี่ยจบแล้วรูปบาปลูปุลูปศาสนาลู ป, าาลปุทธศาสนาโอ้าศาสนาคือคนบาปปุลคืคือตัวหลงตัวลูกุทธศาสนาคือตัวภาวะที่รู้ทัวปัญญาดับทุกข์ได้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 ผู้ที่เดินยังไม่ไปก็ต้องเห็นไว้ก่อนผู้ที่ไปก็เห็นไว้ก่อนอย่าหนี้ทางอย่าหลีกทางบำเพ็ญทางกิดมีสติดูกิดมีกิดดูกิดเสร็จเลยนี่เสร็จเลยใส่กระเป๋าไปแล้วถ้าเป็น <c oughs> ก็วัดปฏิบัติแต่เป็นสัมภาระก็พับใส่กระเป๋าเดินทางได้สบาย ไม่มีอะไรนี่แต่มีสติดูกิจมีกิจ ด, ดูกิจ ด, ดีชั่วอยู่กับเราแล้ววะ น, นะบุญบาปอยู่กับเราไม่ได้โม้หลงงมงายทำลายความหลงงม ง, งายหมดสมมติวันหยุดเนี่ยเห็นมีสติดูกิจม่คิดดูกิจ <c oughs> ผิดถูกอยู่กับตัวนี้ด่านมันอยู่ตรงนี้ประตูก็อยู่ตรงนี้คมโง้หลงงมงายเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่อง อคาถ า, าอาคมเรื่องฤทธิปฏิหารไม่ไม่มีจืดเลยจืดหมดเลยนะไม่ได้เชื่อแบบอื่นเชื่อกวาการกระทำเชื่อมีสติดูกิตมีจิต ด, ดูจิตไม่ได้สงสัยเลยเลยใครจะเป็นฤทธิปฏิหารมีอะไรอะไรอะไรต่อเป็นเรื่องของเขาอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากไม่ใช่เรื่องดําเนินสู่กันหลุดพ้นพ้ น, พนทุกข์ ส <c oughs> ำหรับทางเข้าสู่การเจริญเสติปัฏฐานน่ผ่านได้เลยตัโง่ล ง, งงมงายงั้นเขานิมลนไปอะไรต่างๆบางทีเขานิมลนไปสวดถอดก็ว่าถูกคนใสมีพระป่วยก็เลือก พายกมาว่าสกว่าสิกะมานี่มาหนี้นะขออย่าพูดใดไปคำว่าพระถูกคุณใส่ถูกคุณศาตรคุณใสคนอื่นทําให้เป็นใบเป็นบ้านี่ไม่ต้องพูดนะอายคนพระนี่ไม่มีแล้วแต่พระยังถูกคนสาสตรคนใสอยู่ไม่ใช่หรอกอย่าไปพูดสงสารท่านไม่มีเลย พระเนี่ยนักบวดไม่มีแล้ว <c oughs> ที่จะถูก <c oughs> คนสัตว์คนใส่ผีทาอันนูนอันนี้เพราะผีดุทําให้เป็นบ่อเป็นบ้าทําให้ตายเนี่ยหยุดเลยอย่าพูดนะอ่าอย่าอย่าพูดหลวงพ่อจะทํอะไรเ็ททาก็ทําให้เฉยๆทาสบายๆเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเป็นสิ่งแวดลอมที่ดีก็เรียกพระที่ร้อนิมนไหวทายังไง ถ้าทำน ะ, ะเขาอยากให้เรามาจุดทอดก็ทดุทดถอนไปตามไปเพียรอสมัยก่อนนะหลวงพ่อก็เป็นหมอเสสษาสตร์ก็ก็ก็ทำเรื่องนี้กันขนศาสตร์ขนใส่ทำได้มีคาถาอาคมก็บอกพระที่ไปด้วยกันแต่นี่ผมไม่ว่าคาถานะก่อนเมื่อก็มีคาถา คาถาถอดถอดขนสอดขนใสคนใชห น, นังบางพันสนใชตะปูอะไรที่เขาว่ากันเ่ยโอ้ยไม่ต้องกัวเชื่อไหก่อนมีคาถาแต่ที้มันจืดแล้วคา ถ, า, ถาที่เลี่ยงมามันจืดแล้วมีคาถาพระพุทธเจ้ามีรููจากสมมุติรู้จักบัญญัติมีกรรมฐานมีปัญญารูดนะเว้ยอ่ะมันก็ไม่งงหลงงอาผ่านได้เลยไ ม, ไม่ไม่ตายเพราะผีไม่ตายเพราะคนสอดขนใส แต่ว่าจะตายถ้าถ้าเขาจะใส่หนังบังฟันเนี่ยไม่ตายอไม่ตายถ้าจะตายก็เขามีดมาฟันเอาปืนมายิงเออนี่ตายจริงๆแต่ว่าเราจะทำไม่ให้เขาเอาเมีดมาฟันเราจะทําให้เขาไม่เอาปืนมายิงเราจะบอกความจริงเราจะไม่โสดไปเครื่องไข่ถ้ามันจะตายก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เป็นความผิดของเราเราจะตายเพราะคนมาฆ่ามาแย่งไม่ใช่ความผิดของเราเด็ดค่ะ <c oughs> เป็นเพราะความผิดของคนอื่นเรื่องผีเรื่องอะไรตัดไปเลยนะก็สอนสอนโยมสอนโยมที่เขานรมตลไปพระพระไม่สบายพระเป็นโลกประสาทแล้วเข้าใจว่าพระอ่าถูกคนสอดคนใสูสคนทําให้เป็นบ้าโอ้ยสงสารพระพุทธเจ้าเราส้าวกไม่ไม่เป็นเรื่องนั้นนะไว้เลยเพวกเราไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องผีเรื่อง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 มีความเปียนไม่ทอดไม่ทิ้งปูกต้นไม้ยก็สำเร็จบ้างถ้ามันเหี่ยวก็นำไปลดต้นไม้ที่มันเหียวมันตื่นขึ้นมานี่ยลิ้ดเหมือนกันลิ้ดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันไปใช้ลิ้ดเหรอเหินเดินฟ้านะโอ้ยไม่เดินหรอกลิ้ดดักใจคนรู้ใจคนเขาคิดยังไงไม่เอาไม่เอามันเยอะเกินไปเขาคิดลักคิดช้างเขารู้ใจของคนเด่นโอ้ยจะไปอยู่ยังไง เขาคิดจะทำไงเห็นใจคนเดินเขาคิดยังไงสำเร็จไยุ่งกับความคิดของคนอนื่นไม่เอามองเห็นจิตของตนเท่านี้ก็พอแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราจะช่วยให้เขามาลู่เรื่องนี้ให้เขามาลู่เรื่องนี้เคยหลงไหมเคยคิดเรื่องหลงไวกับความคิดไหมก็เปลี่ยนความคิดในความคิดมาเป็นตัวรู้ก็ฝันมากเรยอย่าไปแก้วความฝันอย่าไปลำดับความฝัน ให้ลูกไวปชีมมันเลยมันก็จะไม่ฝันไม่ได้เกี่ยวกับความคิดอย่าไปอย่าไปหลายจิตจิตเดียวจิตเดิมเดิมอันเดียวอันจิตที่มันเป็นคลื่นผู้ผู้แฝงมันเหมือนกับเงาดวงจันทร์เงาดวงอาทิตย์อยู่ในน้ําเมื่อน้ํามันคลื่นมันก็เป็นหลายอย่างแต่น้ํามันไม่คลื่นก็เห็นดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์ได้ดวงเดียวจิตของเราถ้ามันไม่มีคลื่น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 จะทำทำจิตที่เป็นจิตจริงๆมันเป็นปกติเดิมเดิมอย่างนี้นี่ชีวิตของเรามันได้พับใส่กระเป๋าผือไปเลยนะไม่เชื่อกำเชื่อจริงๆริงเชื่อกำทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่เกิดอย่างนั้นเชื่อกำไม่เชื่อมงคลไม่เชื่อมงคลตื่นก่าวเชื่อ ก, กันกระทํา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 พะเราอย่างนี้เอาไปเป็นธบาติเอาไปทำนา้าทำไฟดูนา้าดูไฟก็จานงวนดูแลกันทำอะไรต่างๆจานทรงศีลจานตุม่มต้องสอนกรรมฐ า, านแล้ววิชาการผู้มีปัญญาแต่ฉันใช้สื่อก็จานบรเทพใช้สื่อจริง น, นะเออว่าจะเอานังสือมาให้เลย ตอนนี้เขาก็ใช้พระแล้วนะก็จะหาพระไปสอนโรงเรียนแล้วเอาพระครูพระไปสอนต่างโรงเรียนต่างๆอ้าวพวกเราก็มีงานมีการทำนะพวกเราก็ตีฉากตี่ขียงไปด้วยกันทําบัดรสวดมนต์ไหว้ศุกร์ไหว้เสี้ยก็ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันนี่แหละจับแขนจูงแขนกันรอคอยกันอยู่นี่แหละไม่ทิ้งกัน ตอนเช้าขึ้นมาตีข้องทำวัดภู้ยภูมิใจมีคนตีข้องให้ได้มาทำวัดดีใจมีคนตีแะ้วขังไปฉันข้าวมีคนตีแล้วขังไปเวนทบาทมีคนมาตีแล้วขังทํวา ว, ทวัดเช่าทําประเด็นโอ้ยมาช่วยกันนะเนียพวกเราช่วยกันแบบนี้แล้วก็มาทําวัดก็ว่าพร้อมกันผู้ที่นําพาเราก็นํำพาไปสวดไปบทนั้นบทนี่โอ้ยสบายเลยพวกเรา อ, อ, อ, อ, อ่ะสวดแต่ละหลายบทมากๆ ก, ก็ดีหน่อยอ อ, อย่าสวดแต่อันเก่าสวดบทอื่นเลืยไปก็ดีดีไปมันกันสวดบทนั่นบทนี่ให้ได้ยินได้ฟังไปไม่ให้มากไม่เกินสามสิบนาทีเลือกเอาบทนั่นบทนี่ไป